ความเข้าใจพลาดข้อที่5ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสำเร็จต่างๆตามคำบรรยายนั้นดำเนินไปภายในเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็นหนเดียวคราวเดียวกรณีนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติและบรรลุได้ชี้แจงไปบ้างแล้วในข้อ2และข้อ3มีข้อควรย้าเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสานวนแบบที่หนึ่ง แสดงการบรรลุวิชาสามของพระพุทธเจ้าห่างเวลากันเพียงวิชาละยามของราตรีแต่ในกรณีของบุคคลอื่นการบรรลุวิชาสามหรืออภิญญาหกแต่ละข้ออาจใกล้ชิดกันอย่างนี้หรือห่างกันนานเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ถ้ากระบวนการฝึกเป็นอย่างที่บรรยายไว้ในวิสุทธิมักกว่าจะสำเร็จผลแต่ละอย่างก็คงกินเวลามิใช่น้อยกรณีพระอนุรตเถระ ท่านก็บรุอรหัตผลหลังจากได้ทิพยยะจักษุแล้วนานพอสมควรเรื่องพระมหานาคเถระในวิสุทธิมักก็เป็นตัวอย่างผู้บรรลุอรหัตผลห่างจากเวลาที่ได้ริ์ถึง60ปีส่วนสำนวนแบบที่สองที่แสดงการปฏิบัติ ด, ด้านสมาบัติของพระพุทธเจ้ามีข้อความช่วยบ่งชัดให้เห็นว่ามีช่วงเวลาในระหว่างการบรรลุผลแต่ละขั้นแต่สำนวนอย่างเดียวกันนั้น ที่บรรยายการบรรลุผลของพระสาวกหรือบุคคลอื่นๆไม่มีข้อความบอกช่วงเวลาชวนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องในคราวเดียวกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดจึงขอย้ำไว้อีกว่าการปฏิบัติและบรรลุสมาบัตขั้นหนึ่งหนึ่งนั้นสาวกหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายอาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปเมื่อบรรลุสมาบัตขั้นที่สูงกว่าแล้ว ก็สามารถเข้าสมาบัติตั้งแต่ขั้นต้นมาถึงขั้นนั้นได้อย่างต่อเนื่องในคราวเดียวและถ้าบรร ล, ลุสมาบัติชั้นสูงสุดแล้วก็สามารถเข้าสมาบัติตั้งแต่ขั้นต้นเรียงลาดับขึ้นมาจนถึงชั้นสูงสุดนั้นได้ต่อกันไปในคราวเดียวที่ว่าเรียงลาดับต่อเนื่องกันขึ้นมาหมายความว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานอย่างนี้เรื่อยไปตามลาดับ คำบรรยายที่เป็นสํานวนแบบนั้นเพียงแต่แสดงขั้นตอนของการปฏิบัติและบรรลุผลไว้ให้ทราบเท่านั้นข้อความนี้มีหลักฐานช่วยยืนยันอยู่บ้างบางกรณีตัวอย่างที่ชัดคือกรณีของพระสารีบุตรตามความในทีคานัสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญ น, นาสมีเรื่องว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเวทนาและเรื่องอื่นๆแก่ทีคนัปริภาชก ที่ทําสุขรขาตาภูเขาคิจกูรพระสารีบุตรซึ่งกําลังถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริสดางของพระผู้มีพระภาคพิจารณาธรรมไปตามกระแสพระธรรมเทศนาและได้บรรลุอรหัตผล <and> <bon> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือนถ้าอ่านดูแต่ลำพังสูตรนี้อาจเห็นไปได้ว่าพระสารีบุตรบวชมาแล้วสองสัปดาห์ ยังไม่ได้บรรลุผลสำเร็จอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้ธรรมจักสุเมื่อก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแก่ทีฆนาคะครั้งนี้ก็บรรลุอรหัตผลทันทีแต่เมื่ออ่านอนุปัฏสูตรมัชิมนิกายอุปริป น, นาฏประกอบด้วยก็ทราบได้ว่าระหว่างเวลากึ่งเดือนนั้นพระสารีบุตรได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามาตามําดับ โดยเจริญวิปัสสนาควบคู่กับฌานสมาบัติอย่างที่เรียกว่ายุคคณัตทสมถวิปัสสนาคือสมถะและวิปัสสนาเข้าคู่กันตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งแสดงว่าท่านบรรลุอนาคามิผลแล้วก่อนฟังทีคณะ ข, าขาสูตรเมื่อฟังทีคณะขาสูตรนี้ท่านก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือบรรุอราัตผลเป็นขั้นสุดท้าย และการเจริญสมถาวิปัสสนาคู่กันของท่านก่อนหน้านั้นได้ดำเนินมาตลอดเวลาถึง15หวันอัรถกถาคือปัญจสูทนียกมติหนึ่งมาแสดงว่าพระสารีบุตรเจริญสมถะและพิปัสสนาเข้าคู่กันมาบรรลุอนาคามิผลแล้วเข้านิโรธสมาบัติครั้นออกจากนิโรธแล้วจึงได้บรรลุอราตผลเมื่อยกมตินี้มาเชื่อมความในทีขะนัสูตร ก็จะได้ความว่าท่านเคยเข้าในโรธสมาบัติซึ่งเป็นเครื่องช่วยทำให้จิตมีความพร้อมดีอยู่แล้วต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาในทีณคณะสูตรช่วยให้วิปัสสนาเดินหน้าไปอีกจึงบรรลุอรหัตผล